วันนี้เป็นวันอุโบสถเดือนสามดับแต่ว่าปักมันตกขึ้นถําหนึ่งปักคณะนาในานะวันอุโบสถเลยได้ลงวันนี้แต่เมื่อวานนี่ก็เป็นวันพระที่พวกเราได้สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแต่วันนี้เป็นวันลงอุโบสถสวดจบลงสักครู่นี้ แต่พวกเราคงจะไม่เข้าใจในภาษาบาลีแต่ผมเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เรียนแต่ว่าถึงจะไม่เข้าใจในภาษาบาลีก็มีวิธีที่จะเข้าใจในคําแปลเพราะมันมีหนังสือนวโกวาทแล้วก็มีหนังสือพระปฏิโมกเขาแปลเป็น หน้าหนึ่งอัดหน้าหนึ่งแปลตรงกันเราก็พอจะเข้าใจได้จากนั้นก็มีวินัยมุกเล่มหนึ่งอธิบายให้กว้างขวางรายละเอียดในศิกขาบทแต่ล ะ, ละข้อละข้อที่พวกเราสวดในวันนี้ที่จบสวดจบลงสักครู่นี้่อนสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อที่เราสวดทุกวันอุโบสถ กลางเดือนปลายเดือนกลางเดือ น, ป ล, อนปลายเดือนอยู่ตลอดทุกสิบห้าวันสรุปแล้วระหว่างลงอุโบสถทุกสิบห้าวันเมื่อก่อนที่จะลงอุโบสถพวกเราก็ได้ทําพิธีแสดงอาบัตให้บริสุทธิ์บอกบริสุทธิ์บอกแสดงความบริสุทธิ์แสดงอาบัติจากนั้นเขาเข้าร่วมอุโบสถจากนั้นเขาฟังพระปฏิโมกก็มีตระ ขึ้สนสวดอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังสักครู่นี้สรุปแล้วก็คือศิน227ข้อถ้าว่าเราจะศึกษาอย่างไรเรื่องศิน227ข้อถ้าจะว่ามากก็มากถ้าจะว่าน้อยก็น้อยแต่ท่านผู้รู้ท่านก็รู้ได้ทุกสิกขาบทแต่พวกเราไม่รู้บวชเข้ามาใหม่ให้สํารวมกายวายจา ให้เรียบร้อยสรุปแรกก็คือสินเหล่านี้สำหรับให้พระสงฆ์อยู่ในกรอบให้มีมารยาทอย่าทำออกนอกตู้นอกทางสิกขาบททุกสิกขาบท ท, าบ ท, ที่พวกเราสวดลงที่ฟังพ ว, พวกเราฟังจบองศ์สักครู่นี้พระพุทธเจ้ามีเหตุซะก่อนท่านจึงบัญญัติวิทยนแต่ละสิกขาบทแต่ละข้อ ถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพวกเราจะรู้่ะกฎชิกขบดนี้เป็นมาได้อย่างไรทไมํมาเพราพระพุทธองค์จึงบัญญัติชิกขบดหรือวิ น, น, นัยข้อนี้นี้ข้อนี้ข้อ น, น, น, น, น, น, นี้มีความหมายนะอย่างภิกษุดื่มสุราอย่างนี้ในพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระเทระท่านนั้น แต่ผมจึมจำชื่อไม่ได้นะท่านมีชื่อเสียงญาติโยมรู้จักท่านไปแสดงอิทิลิตสู้กับพญานาคนทั้งหลายเห็นว่าโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาท่านได้โลกียะเพราะ ง, งั้นยังไม่ใช่โล ก, กุตละท่านได้ชาญโลกีแต่ท่านก็มีอำนาจ ม, มีอภินิหารเอ จากนั้นญาติโยมเห็นอิทธิฤทธิ์แบบนั้นกไปที่ไหนเขาก็ยกล่องนับถือมีพระนายหน้าต่างหากไปที่ไหนท่านต้องการอะไรพระนายหน้าก็บอกว่าอต้องการสุราสีแดงเหมือนเท้านกเท้านกพิราบเหมือนอญาติโยมเขาก็ถวายไปบ้านนล้นนะเขาไปใส่จอกหนึ่งไปบ้านแล้วนะถวายอจอกหนึ่ง เออมันจะกี่จอกใช่ไหมมันจะกี่แก้วใช่ไอ ม, ม, มพอทานไปไม่กี่แก้วท่านบาดไปทางหนึ่งเหมือนนั่นแหอะตัวเองนอนไปทางหนึ่งหลับไปเลยือนนั้นเถอะพรสงฆ์ทางหลายโหพอท่านเมาเหล้าแล้วงั้นเลยหามมาในต้นบัญญัตินะในต้นบรร ญ, ญัติหามเขามาวัดออกมาเขามา พระพุทองค์รู้พระพุทธองคไปถามเดินไปบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยทก่อนมีอิทธิฤทธิใช่ไหมต่อสู้กับพญานาคใช่ไหมไปเจ้าค่ะแต่ขณะนี้หามไปสู้กับงูเลือนเนี่ยจะสู้กับงูเรือนได้ไหมงูไม่มีพิษเหมือนกันเถะโอ๊ยไม่ได้เดือมไปถามไปสู้กับงูเลือนงูไม่มีพิษก็งูไม่มีพิษก็กาดเอาเหมือนันน่ย ไม่แค่ต่อสู้กับพญานาคพระพะุทธองค์บริบาลหยาดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปภิกษุใดเขาตามดื่มสุราและเมลัยต้องปาจิตติคือความเป็นมาอย่างนั้นอย่างภิกษุได้หญ้าตัดหญ้าอย่างนี้นสมัยก่อนพระญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามีศาสนาหลายศาสนา อย่างทุกวันนี้ก็จะเกี่ยวว่าคิดอิสลามพราหมณ์พุทธอย่างนี้แหละในสมัยนั้นก็นยิ่งมีมากกว่านี้เขาถือกันว่าวัชพืชทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีวิญญาณเหมือนกับพวกสัตว์สารหลายสิ่งอย่างนี้แหละแต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าวัชพืชเนี่ยมีแต่ธาตุสี่ไม่มีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณไม่กระดุกกระดิกไม่ได้กระดุกกระดิกก็คือลมพัดเป่าตัวเอง ไม่เหมือนสัตว์ที่ราชานตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอันนี้มีวิญญาณถ้าว่าภิกษุฆ่าแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ปรับอบัิปลาจิตตีแต่ทีนี้หญ้านี่ยพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นวัชพืชพระสงฆ์ในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าก็ตัดหญ้าดาหญ้าจะทำความสะอาด ทำทางยังโกมบงังอะไรบงังตรงไหนมันลกลุงลางท่านเลยทำความสะอาดถากถางตัดต้ดตนไม้คนทั้งหลายเขาไม่เคารพนับถือว่าเออพระส ม, มณะโคโดมศักยะบุตรเนี่ยทำไมยังไปทำลายต้นไม้ต้นไม้มีวิญญาณเขาถืออย่างนั้นนะตอนนี้พอได้ยินถึงพระพุทธองค์พระพองค์ก็ เ, เรียกประชุมส่งบรรดาพี่ไนันะตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ภิกษุใดก็ตามภาคของเขียวซึ่งเกิดจุูกับที่ให้หลุดจากที่ต้องไปทิตฐิอันนี้ก็คือบัญญัติตามโลควัชชะคือโลกเขาตีเตียนแต่ตามไม่จริงไม่ได้ทําไม่ได้ตีเตียนแต่โลกเขาตีเตียนพราะพระองค์ก็บัญญัติปีในขึ้นมานี่แหละอโลกวัชชะก็มีธรรมวัชชะก็มีหรือว่าธรรมติเตียนก็มีอย่างภิกษุเอดีดก้อนขวดใส่หัวหง ทดลองแม่นลูกกวดว่างั้นดดีดนิ้วมือใส่หัวหงหัวหงตกตายลงมาอันนี้แปลว่าทรมชชะทำติเตียนให้ว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าเขาอันนี้ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ต้องปาจิตติเพราะนั้นเรื่องพระวินัยถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกแล้วมันจะมีเนี่ยะ หลายๆอย่าง2องร้อยยิบเจ็ดข้ออันนี้คือสินพระปฏิโมกถ้าสินนอกพระปฏิโมกยังมีอีกนะมีอาบัตทุนละใจห่างๆแล้วก็ปลาจิตตีห่างๆแต่ทุกกฎจะถีเย็บเลยเป็นร้อยเป็นพันมางั้นนะ่ะหลายร้อยหลายพันสิกขาบทแต่เราก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าเป็นเท่าไรแต่ว่ามากอาบัตทุกกฎเนี่ยแต่สรุปแล้ว ล้วนแล้วจะเป็นกิริยาและมารยาทเกือบทั้งนั้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอไปในที่ ส, สาธารณะไปในที่ชุมชนสรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องโลกเขาติเตียนพระพุทธองค์ก็บัญญัติวีไนขึ้นมาแต่ถึงยังไงก็ตามตอนที่พระพุทธเจ้าจะปริ น, นิพาน พะพุทธองค์ท่านก็บอกกับพาาระอนุนว่าดูก่อนอนุนเมื่อเราปรินิพานไปแล้วซิกขาบทเล็กน้อยที่พวกท่านทั้งหลายเห็นว่าหยุมหยิ้มเกินไปพวกท่านจะถอดถอนวินัยออกก็ได้นะแต่พาาระอนุนไม่ได้ถามว่าอาบทอาบัตเล็กน้อยนั้นอยู่ในกลุ่มไหน อยู่ในแถวไหนอยู่ในสิกธิบทไหนอยู่ในกลุ่มไหนอาบัตทุกข์ดใช่ไหมหรืออาวัตสิทธิขบทไหนพระอนุลไม่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าในช่วงนั้นมีแต่ความเศรา้าโศกโศ ก, กาดูนที่พระพุทธองค์จะละขันธปรินิพานพระอนุลไม่ได้กราบทูลถามในเมื่อ พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วก่อนที่ถวายพระเพลิงศพของพ ร, พระพุทธองค์มีท่านพระมหากัตปะเป็นประธานสงในในยุคนั้นก็มีพระที่บวชภายแก่พูดจ้วงจับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือองค์เดียวเท่านั้นนะ ยกเป็นเหตุขึ้นมาเลยนี่แเรียว่าเป็นมงคลการพูดเป็นมงคลหรือการพูดไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลเน่ยถ้าว่าพูดอย่างนี้บังๆเสียหายพระมหากรตปะยกเป็นประเด็นเกิดลูกศิษย์ของท่านน่ะปวดภายแก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่พระพุทธองค์จากไปพ่อากันเสีย อ, อกเสียใจร้องห h o ร้องให้ก็มีแต่พระแก่องค์นั้นบอกว่า จะร้องไห้ทำไมพราะพอุทธองค์ตายไปแล้วก็ดีแล้วเนี่ยในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้ห้ามเราอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดในเมื่อพระุทธองค์ตายไปแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้สบายบ้านเองเพราะว่าพระพอุทธเจ้าตายไปแล้วเราจะทำสิ่งไหนก็ผิดวินัยยังไงไม่ผิดวินัยยังไงไม่มีใครบอกไม่มีใครห้ามแต่ก่อนพอทาผิดวินัยก็ รู้ถึงพระองค์องค์บัญญัติพี่นายพิธุทำอย่างนั้นต้องเอาบัตรอย่างนี้นมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเหมือนกับตั้งกฎหมายอย่างนั้นอควบคุมสงอย่างนั้นเพื่อให้อยู่ในระเบียบพิ่นายแต่พระผู้เฒ่าองค์นั้นพระแก่องค์นั้นท่านก็เลยพูดอย่างงั้นพระมหา ก, กัจปะท่านได้ยินโอ้ท่าหางวานได้ยินท่าว่ามีพระพูดอย่างนี้นหลายองค์ พระพุทธองค์ไอศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ถึงห้าพันปีหรอกคงจะหมดเร็วๆนี่แหละเพราะฉนั้นพวกเราจะทํำยังไงเพื่อ จ, จัดพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นหมว ด, เ ป, มวดเป็นหมู่ขึ้นมาเพื่อจะได้พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วก็จะได้หลักธรรมวินยัยนั่นแหละเป็นาศาสดาของพวกท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะทํำยังไงจึงจะให้พระธรรมวินัยนี้เป็นหมวดเป็นหมู่ ที่จะจำได้ง่ายแต่นี้พระมห า, า, ากัจปะก็เลยหาหรือในสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายเขาว่าควรจะมีการประชุมเพื่อขัดเกลารึว่าเพื่อจัดพระธรรมันให้เป็นหมวดหมู่พระมห า, า, ากัจปะก็เลยเมื่อปร ะ, ประชุมเพิงสดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยองค์ไหนบ้าง ที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วจะประชุมกันที่ไหนคณะสงฆ์ก็เลยตกลงกันว่าประชุมกันที่กรุงราชคฤห์ที่ถ้าสัตบัณฑราคูหาแล้วทีนี้เราจะประชุมกันวันที่เท่าไหร่เดือนไหนคณะสงฆ์ก็หาหรือกันโพรการประชุมในครั้งนี้จะเว้นพระอานนท์ไม่ได้เพราะพระอานนท์ติดตามพระพุทธองค์อยู่ตลอด เป็นครั้งพระสูตรครั้งพระวินัยครั้งพระธรรมทั้งหมดอยู่กับท่านอานน์แต่ถ้าว่าขาดอาโนนซะองค์เดียวการประชุมก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้พระอานน์เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ขณะนี้พระอานน์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ยังไม่ได้สําเร็จพระอรหันต์พระสงฆ์กลงมติกันว่าถ้าหาว่า มีการประชุมในเร็ววันก็จะมีบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด499องค์เป็นพระโสดาบันมีแต่ท่านอนุ์องเดียวก็จะเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพระพุทธองค์พระยากร์กับท่านอนุนแล้วว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนท่านอานุนจะได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นควรจะสามเดือน ให้รอให้ท่านอาน o ์บาเพ็ญจนได้สำเร็จมรรคผลซะก่อนจึงมีการประชุมสงฆ์ในเวลานั้นพระสงฆ์ก็เห็นพร้องตองกันก็เลยจัดเตรียมสถานที่พระสงฆ์ที่มีชื่อที่จะร่วมประชุมก็พยายามทยอยกันเข้าไปส่วนพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวข้องพระมหากัตปะท่านก็ประกาศ ลักษณะเชิงขอร้องให้ออกไปจากกรุงราชจะคือก่อนเพื่อจะให้พระสงฆ์ทั้งห้าร้อยองค์อยู่ในกรุงราชจะคือเพื่อจะได้รับบินทบาทอาหารบิณทบาทไม่ให้ผือดเคืองท่าทางพระสงฆ์มากเกินไปกระทาให้การบินทบาทการาจะประชุมสง์นั้นจะเป็นไปด้วยความลําบากทั้งเป็นทั้งเดือดร้อนทางอาหารด้วยทั้งจะมีการประชุมด้วย ทั้งอ า, าอาหารด้วยทั้งประชุมด้วยเพราะว่าจะเป็นเรื่องภาระสําหรับญาติโยมที่สาธนุณประทัมพกสมัยนั้นก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ครองกรุง ร, ราชสกุล อ, อยู่จากนั้นพระสงฆ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องท่านก็ออกจากกระะุงราชคกุลไปมีทั้งพระสงฆ์ทั้งหมด499องค์เตรียมการประชุม พอถึงวันประชุมจริงๆพระอนุนก็ได้ขอร่วมประชุมเพราะได้สําเร็จในวันนั้นพอดีจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ถามท่านอนุว่าพระพุทธองค์ก่อนที่จะพระพุทธองค์จากปรินิพานนั้นพระพุทธองค์สั่งเสียอะไรบ้างแต่นี้พระอนุก็ได้กราบทูลหลายอย่างอย่างเช่นว่าลงพ ม, มาทานพระชันนะบางอะไรบ้างหลายหลายอย่างแต่ผมไม่ขออธิบาย จะอธิบายแต่เฉพาะว่าเรื่องหลักธรรมพินัยพระพุทธองค์ว่าให้ถอนสิกธข้าบทเล็กน้อยได้ในเมื่อพระสงฆ์เห็นพร้องต้องกันอันนี้คือพระพุทธองค์ได้สั่งท่านอานนท์เอาไว้พระอานนท์ก็ได้กลับเรียนพระสงฆ์ในที่ประชุมในวันนั้นพระสงฆ์ก็ถามว่าอาบัตเล็กน้อยนั้นคืออะไรพระอานนท์ก็บอกว่าก็ผมไม่ได้ถามไม่ได้ทูลถามพระพุทธองค์ เพราะว่าในช่วงนั้นข้าพระองค์ยังเศร้าโศกเสียใจที่พระพุทธองค์จะปรินิพานก็เลยไม่ได้ทูลถามในรายละเอียดว่าชิกขบวเล็กน้อยนั้นคืออะไรพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยทันอานน์บกพร่องปรับอวบทุกกฎในความบกพร่องถนัดของท่านอานน์นพระรน์ก็เป็นผู้อ่อนน้อมผอมตนต่อพระสงฆ์เป็นผู้ไม่กระด้างกระเดืองในเมื่อพระสงฆ์ปรับโทษ ว่าเป็นน้าบัตรก็ยอมยอมเป็นน้าบัตรเพราะว่าไม่ได้พูดไม่ได้ถามจริงๆนี่แหละนักปราถ้าว่าท่า น, นสงลงโทษท่านก็ยอมรับโทษว่าในบุกพองจริงๆในจุดนั้นอันนี้เราปราดไม่เถียงไม่ต่อสู้ไม่ออกตัวไม่แก้ตัวว่า ง, งั้นเถอะเพราะว่าไม่ได้ถามจริงๆตามไม่จริงก็น่าจะถามแต่ไม่ได้ถามเพราะว่า คิดไม่ถึงพอในช่วงนั้นเช่าโสงคิดไม่ออกเหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็เลยลงมติกันว่าเอาสงฆ์ลงมติกันซิกข้ามบทเล็กน้อยนั่นคืออะไรพระสงฆ์เห็นว่าสมควรจะถอดถอนซิกข้ามบทไหนบ้างทีนี้ก็มีการห า, หารือกันจบแล้วเอาศีลในพิสมาจารย์ทั้งหมดน่าจะถอนเป็นบางส่วน น่าจะไม่ถอนเป็นบางส่วนบางองค์กดเป็นกลุ่มก็ไล่ขึ้นมาจนถึงเสกียวัตรอาบัตทุกกฎในพระปฏิโมก็น่าจะถอนอธิกรก็น่าจะถอนปฏิเทสนิยสีน่าจะถอนไล่ขึ้นมาจนอาบัตนิจขีปาจิตติผลที่สุดในสงฆ์ห้าร้อยองค์ล้วนแล้วเต็มเป็นพระอรหันนะห้าร้อยองค์ แต่ความคิดความเห็นนั่ก็ยังแตกแตกต่างกันไม่เป็นเอกฉันบางน้นเถอะเพราะความคิดเนี่ยชาของแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าความบริสุทธินั้นเสมือนเสมอเหมือนกันแต่ว่าแนวความคิดที่ซิกแซกออกไปนี่มีความคิดแตกแตกต่างกันทั้งที่ท่านเป็นพระอรหนะันต์ห้าร้อยองค์ ทั้ที่พูดจะอันไหนจะเป็นอันนั้นไม่เป็นวันนะไม่เป็นเอกฉันในวันนั้นแต่ในท่านพาระมหากตปะที่เป็นประธานส่งฟังดูแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงท่านก็เลยเอาท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดูไหมดีไหมพระสงฆ์ทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายเอาอย่างนี้ดีไหมคือสิกขาบทที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้แล้วเนี่ยล้วนแล้วจะมีสาระที่ล้วนแล้วจะมีประโยชน์แต่ถ้าว่าเราจะถอดถอนสิกขาบทในขณะนี้ บางทีอาจจะรุ่มรุ่มดอนดอนบางทีอาจจะดีบ้างบางทีอาจจะไม่ดีบ้างในอนาคตอาจจะเสียห้างอาจจะไม่เสียบ้างเพราะนั้นเราทั้งหลายจะมาถอนสิขาบทอย่างนี้คงจะไม่สม่ำเสมอคงจะไม่เป็นธรรมเมื่อพระพทธองค์บัญญัติแล้วคงเอาคงไว้ดีไหมคงไว้ทั้งหมดไม่มีการถอน สงทั้งหลายกันลงมติกันเห็นด้วยเห็นพร้อมต้องกันจึงได้คงพระวินัยทั้งหมดทั้งสินพระปฏิโมกทั้งสินอภิสมาจารให้รวมอยู่ด้วยกันจึงเป็นมาอย่างนี้นี่นี่คือเถไฟเถรววาดรักษาวินัยของพระพุทธองค์แบบคงเส้นคงวามาอย่างนี้สิกขาบทแต่ละสิกขาบทถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎก จะรู้ว่าสิกขบ ท, ทั้งสี่ข้อปาราชิก4ี่อย่างนี้ใครเป็นคนกระทำกระทำที่ไหนเพื่ออะไรทำใหม่เหตุไรสิกขบ ท, ที่สองทำใหม่เพราะเหตุไรมีความเสียหายอย่างไรจนถึงสาจังคาที่เศษิบ13อนิยศสองนิสกีปาจิตตี30ปาจิตตี 9.2 ถ้าเราอ่านในพระพินัยแล้วเราจะรู้ความหมายเข้าใจที่พระพุทธองค์บัญญัตินั้น สรุปแล้วก็คือให้พระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในกรอบไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางให้อยู่ในกรอบกรอบของมารยาทหรือประศีลธรรมอันดี <Yeah. S 1> เพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดถ้าบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วเป็นพระสงฆ์แล้วอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยน่าเครนารพน่านับถือน่าเลื่อมใสยอย่างยิ่งอันนี้ที่ พระมีเรื่องราวทุกวันนี้ก็เพราะว่าออกนอกลู่นอกทางออกนอกจากหลักธรรมพินัยเอาทิฏฐิมานะเอาความคิดเห็นของตอนเองเข้ามาก็เลยทำให้โลกทั้งหลายตําหนิติเตียนถ้าว่าอยู่ในหลักธรรมพินัยแล้วเป็นพระที่น่ากราบไหว้สักการบูชาอย่างยิ่งเพราะทําทมะหรือว่าพินัยของพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้ดีแล้วบัญญัติให้พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้นะต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นครวญญาติโยมเราก็จะดูศึกษาในพระวินัยอีกครั้งหนึ่งอนะว่าวินัยของสงฆ์เป็นยังไงนะถ้าจะเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วพระวินัยของพระเนี่ยตัด เง้าตัดโครนของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงทําไมจึงว่าอย่างนั้นอย่างวิในยอย่างศีลห้าอย่างเนี้ยอยําห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้คือมันตัดพื้นฐานออกไปแล้วแต่นี้ถ้าว่าเป็นกฎหมายเขาฆ่ายุงฆ่าลิ้นฆ่าหมดเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นโทษอฆ่าช้าง ฆ่าสัตว์ที่หวงห้ามหวงแหนฆ่ามนุษย์โทษหนักฆ่าช้างฆ่าม้าถ้าเป็นของตัวเองได้รับอนุญาตฆ่าไม่ผิดแต่ที่นี่หลักของพุทธศาสนาเนี่นถึงจะรับอนุญาตไม่รับอนุญาตฆ่าในที่รับฆ่าในที่แย่งฆ่าในที่ไหนก็ตามฆ่าคนอื่นฆ่าชีวิตคนอื่นที่เขาหวงแหนชีวิตของเขาเราไปฆ่าเขาผิดทั้งนั้นขาดเมตตาเพราะฉะนั้นวิเนย ของพระหรือวศินของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดเรื่องการฆ่าออกไปเลยเจะฆ่าประเภทไหนก็ผิดทั้งนั้นเพราะนั้นกับกฎหมายบ้านเมืองมันหยาบละเอียดต่างกันข้อที่สองอธินาทานก็เหมือนกันทีนี้ลักประเภทไหนโทษเบ า, โ ท, เบาโทษหนักแต่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วท่านขอาฆมยไม่ดี ถ้าเจตนาขาโมยไม่ดีแต่ว่าทางโลกของเขาเนอะนนิดหน่อยๆน่อยถ้าหลบซ่อนหลบหลีกกฎหมายได้ไม่ให้ใครรู้ก็ไม่ได้รับโทษแต่ในหลักของพระวินัยแล้วถึงจะใครรู้ไม่รู้ก็าตามถ้าตัวเองกระทำเข้าไปผิดทั้งนั้นอ่อันนี้ก็คือหลัก ของพระพุทธศาสนาหลักพระวินัยกระทํากระทากรรมในการกระทำํำรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ว่าศีลเนี่ยจะคุ้มครองกายกับวาจานะส่วนใจนะถ้าคิดไปเฉยนะยังไม่ได้ทํายังไม่ผิดวินัยผิดแต่ทำนะผิดคือว่า ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นคิดโลภจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองไล่เขาเห็นผิดจากธํานองคลองธรรมผูกอาคาดเขาอย่างนี้นในใจแต่ยังไม่ได้พูดออกแต่ยังไม่ได้ทําออกไปยังไม่ผิดวิไนผิดแต่ทำทําให้จิตใจเศร้าหมองทําให้จิตใจไม่ผ่องใสทําให้จิตใจขุนมัวอ่านนี้คือผิดธรรมเหมือนกันแต่ยังไม่ผิดวินัยแต่ทางว่าการแสดงออกทางกายและวาจานั้นแปลว่าผิดวินัย เอาใจเข้าไปเป็นสองเหมือนกันแต่พูดใครเขา้าทําออกไปเนี่ยไม่พูดกายจะกรรมผิดทางกายกลางบอกพูดออกไปเอากายพูดเอาวาจาออกพูดพูดเป็นวาจาออกมาทางกายจะกรรมวจีกรรมเมนันมันการกระทำแต่ว่าใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นท่านจึงให้อบรมใจถ้าใจที่เป็นหัวหน้าดีแล้ว คิดออกก็ดีพูดออกก็ดีเหมือนกับวัวที่ลากล้อลากเกวียนลากไปที่ไหนล้อเกวียนอล้อกงล้อก็ต้องตามเท้าโคไปอยู่ตลอดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใจดีชุอย่างใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมทุกอย่างก็ดีไปด้วยเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกขัดทางใจอบรมใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้ก็มาเพื่ออบรมใจจะได้ดูใจของตัวเองถ้าเมื่อเป็นครวญเป็นทำการทำงานเป็นเจ้าเป็นนายเป็นมดเป็นหมอเป็นเจ้านายของคู่ของคนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออยู่ตามลำพังเราจะได้รู้ว่าใจเราคิดเรื่องอะไร ถ้าเราคิดทั่วแล้วเราคิดดีเราเป็นคิดเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ห้ามอันนี้มันผิดศีลธรรมนะอไม่ควรทําทําไปแล้วก็เดือดร้อนตัวเองเอไม่ใช่เดือดร้อนคนอื่นอะ่ะคนรถคนอื่นก็เดือดร้อนอะอแต่ว่าใจของเราเนะ่ยทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วใจมันก็แป้ะก อ, อยู่อย่างนั้นะมีความทุกข์อย่งนีน้จิตใจเศร้าหมองอยู่งั้นเพราะนั้น ที่พวกเรามาคราวนี้ให้มาดูใจกําหนดดูใจภาวนาดูใจภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดูใจถ้าเห็นใจความลึกคิดของจิตของใจแล้วนั่นละ่ะพวกเราเริ่มจะเห็นคุณงามความดีเริ่มจะเห็นธรรมละ่ะเพราะธรรมทั้งหลายความถูกต้องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมด ถ้าคนออกถ้าใจออกจากร่างกายแล้วมีแต่คนตายทําอะไรไม่ได้มีแต่เน่าอย่างเดียวคอยเน่าอย่างเดียวอมันมีแต่เน่าจะมีกลิ่นเหม็นอย่างเดียวนะเพราะใจออกจากร่างแล้วเนี่ยขณะนี้ใจของเราจังอยู่ในร่างอยู่อใจยังคุ้มครองกายอยู่กายก็อเป็นใจเป็นนายกายเป็นเบาะงั้นนะใจของเราเป็นนายกายของเราเป็นบ่าวรับใช้ใจ ถ้าใจที่เป็นหัวหน้าเป็นนักเกลงใจไม่ดีใจไม่ได้อบรมที่ดีใจไม่มีศีลใจไม่มีธรรมลูกน้องก็เป็นนักเกลงไปด้วยเหมือนกันเพราะใจสั่งเลยใส่ให้ตะเขาบางเตะเขาบังอะไรเขา้าบางด่าเขาบ้างลักษณะเนี่ยกายก็เลยเป็นนักเกลงไปอน่ยแต่เข า, าใจของเราดีพูดออกไปก็ดีทำออกไปก็ดีรอนแล้วจะเป็นสาระมีประโยชน์มีคุณค่าเพราะฉะนั้นพวกเราได้มา บวชในพุทธศาสานาครั้งนี้ให้ศึกษาให้เขาอกเข้าใจเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสอนของพระรพุทธเจ้าจากนั้นก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติกําหนดจิตกําหนดใจให้นั่งภาวนานะนะนะเป็นหลักอันนี้ผมได้พูดเกี่ยวกับความเป็นมาของวิ น, นัยเกตวินัยที่เป็นมาอย่างไร